วันนี้เป็นวันจันทร์ที่สิบสองสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่ลูกๆทั้งหลาย จะได้มาสแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อคุณแม่และคุณพ่อเพราะการที่ลู ก, ลกจะเกิดมาได้นั้นนอกจากคุณต้องมีคุณแม่แล้วก็ต้องมีคุณพ่อด้วยดังนั้นพราะคุณทั้งสองท่านนี้จึงไปด้วยกันคุณพ่อกับคุณแม่นี้เป็นบุคคลที่มี ความสําคัญอย่างยิ่งต่อลูกๆทุกๆคนเพราะถ้าไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณแม่ลูกๆ ก, ก็จะเกิดมาไม่ได้ลูกๆทุกคนนี้ที่จเจริญเติบโตขึ้นมาและอยู่มาจนถึงวันนี้ได้ก็เพราะความเมตตาของคุณพ่อและคุณแม่ที่ พยายามที่จะเลี้ยงดูให้ลูกๆได้เจริญเติบโตได้พบกับความสุขความเจริญต่างๆพร mm hmm. าะคุณของพ่อแม่นี้จึงเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเ mm hmm. พราะสิ่งที่ คุณพ่อคุณแม่ให้กับลูกๆนั่นก็คือร่างกายที่ไม่มีอะไรที่จะมาสามารถ เ, เปรียบเทียบเป็นราคาได้<ม>ต่อให้มีเงินกองเท่าภูเขา<ม>คุณค่าของเงินกองเท่าภูเขาก็ยังสู้คุณค่าของร่างกายของลูกๆไม่ได้เ<ม><ม>พราะถ้าว่าไม่มีร่างกายแล้ว ก็จะไม่สามารถทำอะไรได้ไม่สามารถที่จะไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆได้อนั้นร่างกายนี้จึงมีสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกถ้าจะลองมาก็ลองคุณค่าของพระธรรมของพระพุทธเจ้า คุณค่าของพระธรรมของพระพุทธเจ้านี้ ม, มีคุณค่ามากกว่าร่างกายเ<ม>พราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้<ม>จะพาให้จิตใจของลูกๆทุกคนได้ไปสู่สุคติกันได้อยู่อย่างมีความสุขได้หลุดพ้นจากความทุกข์ ของการเวียนว่ายตายเกิดได้นั้นพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ถ้าเปรียบเทียบกับพระคุณของบิดามารดาพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ยิ่งใหญ่กว่าแต่ก็ถือว่าเท่าๆกันได้เพราะการที่จะเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ ก็จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายมีชีวิตถ้าไม่ได้มาเกิดมีชีวิตอยู่ถึงแม้จะมีพระธรรมคําสอนอันประเสริฐที่จะพาให้จิตใจได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนร่ายตายเกิดได้แต่ถ้าไม่มีร่างกายมาศึกษามาปฏิบัติก็จะไม่สามารถที่จะรับประโยชน์จากพระธรรมคำําสั่งคําสอนได้ ต้องมีทั้งร่างกายมีทั้งพระธรรมคำส่งคำสอนจึงจะสามารถที่จะพาให้จิตใจหรือจิตวิญญาณนี้ได้หลุดออกจากสังสารวัฏกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เบื้องต้นก็ต้องมีร่างกายต่อนต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้ว ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็จะได้มีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขสร้างความจเจริญให้แก่จิตใจและร่างกายตามอัตภาพ <c oughs> ร่างกายก็จะอยู่ไปจนถึงวาระสุดท้ายอย่างเป็นปกติสุขเป็นไปตามธรรมชาติคื อ, อยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่แต่ถ้ามีธรรมะ คำสอนของพระพุทธเจ้านำพาไปความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการกระทําของร่างกายก็จะไม่เกิดพราะมีพระธรรมคำสอนคอยสอนคอยห้ามเช่นห้ามไม่ให้เบียดเบียนพูดไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดประเพณีไม่ให้พูดปน่นไม่ให้ดื่มของมึนเมา ถ้าพระพุทธปฏิบัติตามคำสอนได้น่างกายก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายโายครคภัยไข้เจ็บก็จะมีน้อยไม่มากเหมือนกับผู้ที่เสพสุรายาเมาและเสพสิ่งต่างๆนี่คือเรื่องของ พ, พระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพระคุณของบิดามารดา ที่ลูกๆควรที่จะมีความกตัญญูกตเวทีกตัญญูแปลว่าความรู้คุณของผู้มีพระคุณเราต้องรู้ว่าพ่อแม่เรามีพระคุณกับเราอย่างไรพ่อแม่มีพระคุณกับเราเพราะให้ร่างกายเราให้ชีวิตเราพระพุทธพระาพระสงฆ์มีพระคุณกับเราอย่างไร<ม>ก็มีพระคุณที่จะ สอนให้จิตใจของพวกเราที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่เป็นเวลาอันยาวนานนี้ได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายแบบไม่มีสิ้นไม่มีสุดจึงเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเราที่จะกราบพระน้ากรพ่อกรบแม่ทุกครั้ง เช่นตอนก่อนนอนกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็กราบพ่อกรบแม่ตื่นเช้าขึ้นมาก็กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วกราบพ่อกรบแม่ขนาดที่กราบก็ให้ลึกถึงพระพระคุณของท่านเหล่านั้นพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระพุทธคุณก็คืออิติปิโสภะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธสว า, ากาโตภะวตาธรรมโม สุปฏิปนโนเป็นต้นแล้วก็มารำลึกถึงพระคุณของแม่และของพ่อที่ให้กาเนิดชีวิตเรามาถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ให้กาเนิดและเลี้ยงดูเรามาเราจะไม่ได้มีโอกาสได้มาอยู่ในโลกนี้แบบที่เราเป็นอยู่กันในขณะนี้เลยพ ร, ระคุณของบุคคลเหล่านี้จึงเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ พระคุณของบิดามารดานี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีพระคุณต่อลูกๆมากมการที่จะชดใช้พระคุณของบิดามารดา น, นต่อให้หาเงินหาทองมาเป็นร้อยล้านพันล้านมาให้กับพ่อกับแม่ก็ตามพระคุณของพ่อแม่ก็ยังไม่หมดต่อให้แบกพ่อแม่ไว้บนบาบบนไหล เลี้ยงดูท่านอย่างดีให้ท่านปัสสวะอุจจาระใสจนถึงวันตายของท่านพระคุณที่ท่านให้กับเราก็ยังไม่มีวันหมดวิธีที่จะทำให้พระคุณของพ่อของแม่นั้นดุดได้หมดได้ก็คือจะต้องทำให้ท่านเป็นพระอริยบุคคลคือเป็นพระโสดาบันให้ได้ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็จะ หลุดพ้นจากการต้องไปเกิดในอบายแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกินเจ็ดชาติก็จะสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดบุคคลที่จะทำให้พ่อให้แม่เป็นพระ อ, อริยบุคคลคือตั้งแต่พระโสดามันขึ้นไปได้นี้ตอนเองก็จาเป็นที่จะต้องเป็นพระ อ, อริยบุคคลก่อน<ม>เช่นพระพุทธเจ้า หลังจากที่ได้ส่งตัดสโลเป็นพาาาระอรหันตตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าก็ส่งไปโปรดพุทธมารดาที่ตอนนั้นประทับอยู่บนสวรรค์ไปโปรดแสดงธรรมตลอดระยะเวลาสามเดือนจนพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอาริยบุคคลขั้นที่หนึ่ง ที่สามารถที่จะดำเนินปฏิบัติต่อไปได้ด้วยตนเองจนถึงพระนิพพานได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาคอยนำพาไปเพราะว่าปาี้ยบุคคลแต่และรูปนี้จะมีธรรมะที่เป็นแสงสว่างพาไปได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยแสงสว่างแห่งธรรม ของพระผู้พระธรรมพระสองฆ์อีกต่อไปนี่คือวิธีที่ที่จะตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ให้หมดสิ้นไปได้แต่ถ้าพวกเราเป็นคนมนุษย์ธรรมดาเป็นปุถุชนที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างน้อยก็ขอให้เรามีสำนึกเราลึกถึงบุญบุญคุณของพ่อแม่คือมีความกตัญญูกตวเวที ความกตัญญูแปลว่าความรู้คุณกตัตบวิทีคือการตอบแทนบุญคุณมีโอกาสใดที่จะสามารถตอบแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่ได้ก็ควรที่จะรีบทำเสียอย่าปล่อยให้พ่อแม่ไม่ได้รับการดูแลแล้วก็มาร้องผมน้องไห้ในภายหลังที่หลังจากที่พ่อแม่ตายไปแล้ว ว่าไม่ได้ทำอะไรให้กับพ่อกับแม่เลยวิธีที่จะทำให้ลืมพระคุณของพ่อของแม่ก็คือการกราบพ่อกับแม่ทุกเช้าทุกเย็นนี่ก่อนนอนหลังจากกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็กราบพ่อกราบแม่เพื่อเราเลิกถึงพระคุณของพ่อของแม่ว่าชีวิตของเราเกิดมาได้นี้ก็เพราะพ่อแม่นี่แหละที่ทำให้เราเกิดได้แล้วก็เพราะความเมตตากรุณาของพ่อแม่ ที่อุตสแบะรับภาระอันหนักหนว่วงในการเลี้ยงดูเราให้เจริญเติบโตขึ้นมาให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้ไม่มีใครในโลกนี้จะมาทําสิ่งเหล่านี้ให้กับเราได้นอกจากพ่อจากแม่ของเรานี้เท่านั้นเองเราจึงควรที่จะทจำลึกถึงพระคุณอยู่เรื่อยๆก็ที่เราจะได้ไม่ลืมบุญคุณแล้วถ้าเรา มีโอกาสมีความสามารถที่จะทดแทนบุญคุณของท่านได้ด้วยวิธีใดก็ตา ม, มจะเป็นด้วยการวิธีให้ข้าวให้ของให้เงินให้ทองกับท่าน<ม>หรืออะไรก็ตามที่ท่านขาดแคลนหรือเดือดร้อน<ม>หรือถ้าท่านมีชรา ม, มีอายุมากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้<ม>ก็จาเป็นที่จะต้องมาเลี้ยงดูพ่อแม่ต่อไป<ม> นี่ก็คือเป็นคุณสมบัติของคนดีคนที่มีความกตัญญูกตเวทีคนที่ไม่มีความกตัญญูนี่เทาเปรียบเทียบ ว, ว่าเป็นคนที่เรวยิ่งกว่าสุนัขสุนัขนี่มันยังรู้จักบุญคุณของเจ้าของเวลามันเห็นเจ้าของมันจะดีใจมันจะวิ่งเข้ามาหาให้มาสวมก่อนกัน แม้แต่สุนัขเขาก็ยังมีความประตันอยู่กับตะเวทีแต่ถ้าเป็นมนุษย์แล้วไม่มีความสำนึกในพระคุณของพ่อของแม่เลยเนีย่แสดงว่าเป็นคนที่เลวยิ่งกว่าสุนัขนั่นเองั mm hmm. งนั้นต้องระวังอย่าททำตัวเราให้เลวต่ำกว่าสุนัข mm hmm. เราเป็นมนุษย์ mm hmm. เราต้องสูงกว่าเราต้องเจริญกว่าสุนัขเราต้องไม่ลืมบิญคุณของพ่อของแม่ mm hmm. mm hmm. วิธีที่จะตอบแทนบุนคุณก็มีหลายวิธีถ้าเรายังอยู่กับพ่อกับแม่อยู่ พ, พ่อแม่สั่งสอนอะไรเราบอกอะไรเราเราก็ต้องฟังเชื่อฟัง<ม>จะไปปฏิบัติต่อหรือไม่ก็แล้วแต่ว่าสิ่งที่ท่านสอนนั้นถูกต้องหรือไม่มถ้าไม่ถูกต้องขัดกับหลักทรรคําสอนก็ไม่ต้องทำตามก็ได้<ม>แต่เวลาที่ท่านพูดท่านสอนอะไรนี้ไม่ควร ไม่ควรเถียงมีหน้าที่รับฟังเพียงอย่างเดียวฟังด้วยความเคารพถึงแม้ว่าคําสั่งคําสอนนั้นอาจจะไม่ถูกตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ตา ม, มถ้าเรารู้เราก็ไม่ต้องปฏิบัติตามก็ได้<ม>แต่เราไม่ควรที่จะไปเถียงขณะในที่ในขณะที่ท่านพูดในขณะที่ท่านสั่งสอนเราอยู่เราควรจะนั่งฟังน้อมเข้ามาเหมือนกับการฟังเทศฟังธรรม ของพระในขณะ น, นี้ท่านเทศอะไรเราก็ฟังไปฟังไปถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็รับรู้ไปอันไหนฟังแล้วคิดว่าถูกมีคุณมีประโยชน์ก็นํามาไปปฏิบัติอันไหนฟังแล้ ว, ว, ร, ปปลวรู้สึกว่ า, าไม่มีคุณไม่มีประโยชน์ทําไปแล้วไม่เกิดประโยชน์มีกรรมเกิดโทษขึ้นมาก็ไม่ต้องทําตามก็ได้แต่โดยมารยาทเราจะไม่ถกเราไม่เถียง ผู้ที่กําลังสั่งสอนเราเราต้องให้เกียรติให้ความเคารพต่อผู้ที่สั่งสอนเราให้เกียรติกับพ่อกับแม่อย่าสั่งสอนพ่อแม่เราไม่มีหน้าที่จะมาสั่งสอนพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้มีหน้าที่สั่งสอนเราบุพก า, ารย์เนี่ยพ่อแม่ของเรานี้เป็นครูอาจารย์คนแรกของพวกเราและท่านก็สอนด้วยความเมตตากรุณา มีความปรารถนาดีอยาก ใ, ให้เรามีแต่ความสุขความเจริญ mm hmm. ท่านก็สอนไปตามความรู้ความตามความสามารถของท่าน mm hmm. อาจจะถูกหรือไม่ถูกอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูอีทีนึงเ mm hmm. พราะพ่อแม่แต่และพ่อแม่ก็มีระดับสติปัญญาไม่เท่ากัน mm hmm. พ่อแม่บางคนอาจจะมีสติปัญญาต่ำก็ได้ mm hmm. เช่นยังไม่เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้ายังไม่รู้ว่าการกระทำบาปนี้เป็นสิ่งที่ผิดไม่ควรกระทำแม้จะเป็นการเลี้ยงชีพก็ตามเช<ม>่นตาสอนให้ลูกไปยิงนกตกปลา<ม>เพื่อมาเลี้ยงชีพอย่างนี้ถ้าลูกมีธรรมะรู้ว่าเป็นการกระทำที่ผิดมมไม่ทำตามก็ไม่ถือว่ า, าไม่เขาลบแต่อย่างใด นี่ก็คือต้องเคารพพ่อแม่ให้เกียรติพ่อแม่ยกท่านอยู่เหนือเรา<ม>ท่านจะพูดอะไรจะว่าอะไร<ม>จะถูกจะผิดจะถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ให้เถียง<ม><ม>ไม่ให้พูดอะไรนั่งนิ่งๆฟังไป<ม>จนกว่าท่านจะพูดจบแล้ว<ม>ส่วนเราจะเอาไปทาตามได้หรือไม่นั่นก็เป็นสิทธิของเรา แล้วก็อยากไปสั่งสอนพ่อแม่ลูกบางคนก็เวลาพ่อแม่แก่ต้องมาเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ได้ทำตัวเองเป็นพ่อแม่แทนพ่อแม่คอยสั่งพ่อแม่ให้กินมากให้กินอย่างนั้นให้กินอย่างนี้ไม่ให้กินอย่างนั้นไม่ให้กินอย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นไม่ให้ทำอย่างนี้นี่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของลูกหน้าที่ของลูกมารับใช้พ่อแม่มาคอยช่วยเหลือพ่อแม่รอรับคำสั่งจากพ่อแม่พ่อแม่สั่งว่าอยากจะ ทำอะไรอยากจะเดินอยากจะยืนอยากจะนั่งอยากจะกินอะไรทําไ ม, ไม่ผิดศีลธร้วก็จัดหามาให้ท่านเลยทำตัวเป็นเหมือนคนรับใช้ไม่ใช่มาทําตัวเป็นเหมือนเจ้านายมาคอยสั่งผู้ใหญ่อันนี้ไม่ได้เป็นการตอบแทนวุญ ค, คุณที่ถูกต้องการตอบแทนวุญคุณที่ถูกต้องต้องทําตัวให้เราอ่อนน้อมทำตน เป็นผู้ที่คอยรับใช้คำสั่งของผู้หลักผู้ใหญ่อคอยสนับสนุนให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายนี่ก็คือวิธีตอบแทนบุญคุณของของพ่อของแม่มแล้วก็วิธีวิธีหนึ่งก็คือการปฏิบัติตัวเราให้เป็นคนดีนั่นเองเพราะถ้าเราปฏิบัติตัวเราให้เป็นคนดีพ่อแม่ก็จะมีความสุขใจ เห็นเราก็ดีใจสุดใจแต่ถ้าเราปฏิบัติตัวเราไม่ดีเป็นคนเกเรเป็นคนที่อทําผิดศีลผิดกฎหมายต้องไปติดคุกติดตารางอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็จะทําให้พ่อแม่เสียอกเสียใจได้เพราะพ่อแม่รักลูกรักเหมือนกับรักตัวเองลูกติดคุกติดตารางก็เหมือนพ่อแม่ก็ต้องไปติดคุกติดตารางกับลูก ลูกได้ดิบได้ดีพ่อแม่ก็เหมือนกับได้ดิบได้ดีตามลูกพง<ม>ั้นการตอบแทน<ม>คุณก็ต้องรู้จักวิธีการปฏิบัติตัวของตนเอง<ม>ให้ดีให้ถูกต้องตามหลักศีลธรร ม, มอันนี้ก็คือสิ่งที่สิ่งที่ลูกๆสามารถทำได้และควรจะทำกัน ยิ่งถ้าเป็นผู้ที่มีธรรมะสูงๆถ้าสามารถที่จะโน้มน้าวให้ท่านได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมได้ก็ก็ทำไปแต่ถ้าเห็นว่าท่านยังไม่พร้อมที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติธรรมก็ไม่ควรที่จะไปบังคับท่านรอให้มีโอกาสรอจังหวะดูจังหวะดูว่าท่านพร้อมอยากจะรู้เรื่องธรรมะหรือไม่ ชื่นการปฏิบัติเพื่อให้บรรุุเป็นพระอริยบุคคลหรือไม่นะถ้าท่านพร้อมท่านถามเราก็คุยแล้วก็สอนไปแต่ถ้ายงท่านยังไม่พร้อมในสอนบางทีท่านก็อาจจะลาคาญก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักกาลเทศะในการที่จะบอกหรือสั่งสอนใครนั้นต้องดูว่าเขาพร้อมที่จะฟังหรือไม่ถ้าก็ยังไม่พร้อมยังไม่ยินดี ก็อยากไปฝืนจิตใจกันเราให้เขาพร้อมก่อนเขาจะบอกเราเองเขาจะถามเราเองว่าทำบุญทำทานทำอย่างไรรักษาศีลรักษาอย่างไรศีลมีอะไรบ้างปฏิบัติภาวนาทำอย่างไรปฏิบัติไปทำไมอะไรทำนาง น, นี้ก็มถ้ามีโอกาสก็คุยกันได้คุยกัน คุยเรื่องธรรมะกันแต่ถ้าคุยแล้วไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่อยากฟังก็ต้องหยุดคุยกันปล่อย mm hmm. ให้เป็นไปตามความพอใจของท่าน mm hmm. เราไม่ต้องการมาเป็นปัญหากับท่านไม่ต้องการมาสร้างปัญหาให้กับท่านเราต้องการมาบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของท่านเท mm hmm. ่านั้นเอง mm hmm. ในฐานะที่เป็นลูกที่ดีลูกที่มีความกตัญญูปะกปเวทีแล้วถ้าท่านตายไปเราก็ยังสามารถทดแทนบุญคุณให้กับท่านได้ด้วยการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปตามเวลาที่เหมาะสมเวลาทำบุญทีไรก็ให้กวดน้ำหมุทิศบุญให้กับบิดามารดาไปเพื่อไว้ว่าท่านรอรับบุญนี้อยู่ ท่านก็จะได้รับบุญ น, นี้ไปช่วยบรรเทาความทุกข์ยากลำบาก ท, ที่ที่มีอยู่ในโลกจิตตวิญญาณเพราะว่าบางคนขณะที่มีชีวิตอยู่นี้จะไม่เข้าใจเรื่องการทาบุญทำทา น, นจะไม่เห็นความสำคัญของเรื่องของการทาบุญทำทานว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัย <c oughs> ที่จะส่งให้จิตตวิญญาณ น, นี้หลังจากที่แยกออกจากร่างกายแล้ว จะได้อาศัยบุญกุศลนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพาให้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆ mm hmm. ถ้าไม่ได้ทําบุญไว้เวลาตายไปก็อาจจะไม่มีบุญสนับสนุนให้ไปไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆกลับจะอาจจะต้องมาเป็นวิญญาณที่เล่ร่อนขอเป็นวิญญาณขอทาน mm hmm. ไม่มีบุญไม่มีกุศล mm hmm. คนที่มีชีวิตอยู่นี้ยังสามารถทําบุญได้ mm hmm. และเวลาทําบุญนี้ ก็สามารถแบ่งบุญที่ทํานี้ให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้ดังน mm ั hmm. ้นถึงแม้ถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหน mm hmm. ท่านรอรับส่วนบุญนี้หรือไม่ก็ตาม mm hmm. การอุทิศบุญก็ไม่เป็นการเสียหายเลย mm hmm. ถ้าไม่มีใครรับบุญนี้ก็กลับมาเป็นของเราอยู่ดี mm hmm. แต่ถ้าเขารอรับอยู่แล้วเราไม่อุทิศบุญให้ mm hmm. เขาก็จะไม่สามารถรับบุญที่เราทํานี้ได้ ก็เลยเป็นธรรมเนียมทุกครั้งที่เรามีการทําบุญทําทานทางศาสนาไม่ว่าจ ะ, ะใส่บาตรถวายสังฆทานทําบุญภาพป่าทําบุญกรถินอะไรต่างๆหลังจากได้ทําแล้วเราก็มีการ อ, อุทิศบุญโดยรอให้พระอนุมโมทนาให้พรก่อ น, ก, นการอนุมโมทนาให้พรของพระนี้ไม่ได้เป็นตัวสําคัญในการที่จะ อ, อุทิศบุญ ถึงแม้ทำบุญเสร็จแล้วไม่มีผ้ามาสวดให้ก็ไม่จําเป็นสามารถอุทิศบุญได้ไม่เกี่ยวกันการสวดของผ้านี้ท่านสวดไว้เพื่อแสดงความยินดีอนุโมทนาชื่นชมยินดีกับการทําบุญของเราแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เล่าถึงผลที่จะตามมาจากการที่เราได้ทําบุญทําทานว่าตายไปเราก็จะได้ไปสวรรค์ชั้น ต, าตา่างๆอยู่ในโลกนี้เราก็จะอยู่กันอย่างมีความน้อมเย็นเป็นสุข เจรินด้วยอายุวันณะสุขะระละอันนี้เป็นการสอนเป็นการสวดมันเป็นการสอ น, นไม่ได้เป็นการให้พรแต่อย่างใดเพราะพรมันเกิดขึ้นจากผู้ที่กระทำไม่ได้เกิดจากพระที่มาสวดให้ดังนั้นถึงแม้ไม่มีพระมาสวดอนุโมทนาสาธุพรก็คือบุญต่างๆที่ผู้ทาได้ทำนี้ก็เกิดขึ้นแล้วภายในใจของผู้กระทำเอง แล้วสามารถดันบุญนี้ให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วได้ด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่เราจะช่วยผู้ที่ล่วงรับไปแล้วได้คือทำบุญอุทิศบุญนี้ไปให้กับผู้ที่ล่วงรับไปอย่างอื่นเราทำไม่ได้เราไม่สามารถสร้างบ้านให้ให้ดวงวิญญาณอยู่ได้ไม่สามารถซื้อเสื้อผ้ามาให้ดวงวิญญาณสวมใส่ได้สิ่งที่ดวงวิ ญ, ญญาณต้องการก็คือบุญนี่บุญนี้ก็เป็นเหมือนปัจจัยสี่ของดวงวิญญาณ ถ้าส่งบุญไปก็เท่ากับได้ส่งปัจจัยสี่ที่จําเป็นต่อการดำรงชีพอย่างมีความสุขส่งส่งเสื้อผ้าไปส่งอาหารไปส่งที่อยู่อาศัยไปส่งยารักษาโรคไปแต่ไม่จําเป็นจะต้องทําบุญแบบที่ว่าอยากจะให้เขามีข้าวกินก็ทําบุญใส่บาตรอยากให้เขามีเสื้อผ้าใส่ก็ถวายผ้าจีวร อ, อะไรอย่างนี้ บุญชนิดไหนก็เป็นเหมือนกันจะถวายอะไรให้ก็ได้บุญเหมือนกันได้ปัจจัยสี่ของจิตวิญญาณเหมือนกัน<ม>สายบาสก็ได้ได้ปัจจัยสี่ของดวงวิญญาณเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องอ<ม>ต้องเลือกทำการเลือกถวายของนี้ต้องดูความจําเป็นของผู้รับเช่<ม>นถ้าผ้าขาดผ้าก็ควรจะถวายผ้า ถ้าพระขาดอาหารก็ควรถวายอาหารถ้าพระขาดยารักษาโรค ก, ก็ควรถวายยารักษาโรคแต่เมื่อเราถวายสิ่งเหล่านี้แนละ้วมันมันก็จะเป็นบุญขึ้นมาเหมือนกันไม่ว่าจะถวายอาหารถวายภาคจีวนถวายยารักษาโรคหรือถวายกุฏิมันก็เป็นบุญเหมือนกันเป็นปัจจัยสี่ของจิตวิญญาณเหมือนกัน นั้นเลือกทําได้ไม่จําไม่ต้องจับจงว่าจะส่งข้าวไปก็ต้องถวายไทยบาทถวายข้าวจะส่งเสื้อผ้าไปก็ต้องถวายจีวรอันนี้ไม่ไม่ไม่ไม่ได้ เ, เป็นอย่างนั้นเราส่งบุญไปบุญนี้เป็นปัจจัยสี่ของของดวงวิญญาณ <c oughs> เราทําบุญแล้วเราส่งบุญไปนี้ดวงวิญญาณก็จะเอาบุญที่เราที่เราส่งไปนี้มาแปลงเป็นปัจจัยสี่ตามที่เขาต้องการได้ นี่ก็คือสิ่งที่เราจะสามารถตอบแทนบุคุณของของพ่อของแม่ได้ <Yeah. S 1> ถ้าอยู่ด้วยกันก็เคารพนับถือท่านเชื่อฟังท่าน <Yeah. S 1> ให้เกียรติท่านย <Yeah. S 1> กท่านให้อยู่ที่สูงกว่าเราน <Yeah. S 1> ้อมรับคาฟังคาสั่งคำสอนของท่าน <Yeah. S 1> ท่านไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วย <Yeah. S 1> ก็ต้องดูแลท่านไป <Yeah. S 1> แต่ถ้าท่านหลังจากที่ท่านตายไปแล้ว เราก็ทุกครั้งที่เราทําบุญก็อุทิศบุญไปก<ม>็ถือว่าเราก็ได้ทําหน้าที่ของลูกที่ดีนะเป็นลูกที่ไม่มีความอาฆตันอยู่<ม>อาฆตันอยู่ก็คือการไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สํานึกในบุญคุณของพ่อแม่เราสานึกว่าการที่เรามีชีวิตอยู่นี้ได้ก็เพราะบุญคุณของพ่อแม่ถ้าไม่มีพ่อแม่แล้วเราเกิดมาไม่ได้เราจะมาอยู่อย่างนี้ไม่ได้ คนที่มีความกระตันอยู่นี้จะเป็นคนถือว่าเป็นคุณสมบัติของคนดีเวลาใครเขาคบค้าสมัคมคนกับเราเขามัางจะมองดูที่จุดนี้ก่อนว่าเป็นคนมีความกรตันอยู่หรือไม่ถ้าไม่มีความกระตันอยู่<อ>เขาคนที่เขาคบค้ากับเรา <S <S เขาบางทีก็อาจจะไม่อยากจะช่วยเหลืออะไรเร า, <S <S เ, ราเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือจากเขาเพราะถ้าเขาให้ความช่วยเหลือเราแล้วเราก็ไม่มีความสำเนึกในบุญคุณของเขา เขาก็เลยไม่รู้ว่าจะช่วยเราไปทํำไมแต่ถ้าเราแสดงความเป็นคนกตัญญูมีความสำนึกในบุญคุณมีโอกาสที่สามารถตอบแทนบุญคุณให้แก่ผู้มีพระคุณได้เราก็ทําอย่างนี้จะทําให้คนที่เข้าครบค้าสมาคมกับเรานี้มีความยินดีที่จะช่วยเหลือเราเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากลําบากดังนั้นความมีความกตัญญูกับในเวทีนี้ เป็นคุณสมบัติสําคัญของของคนที่เจริญของคนดี mm. ถ้าไม่มีความกตัญญูแล้ว mm. จะเจริญยากาะ mm. จะไม่มีใครยินดี mm. ไม่มีใครอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือพอ mm. ช่วยไปช่วยเหลือไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร mm. ดีไม่ดีนอกจากไม่มีความสำนึกในบุญคุณแล้ว mm. ยังอาจจะเนรคุณเสียด้วยซ้ําไป mm. Mm. ถ้าไม่มีความสำนึกในบุญคุณแล้วโอกาสที่จะเป็น mm. ที่จะเนรคุณก็จะมีมาก ถ้าเรามองไม่เห็นคุณของใครเลยคนที่เขาเลี้ยงดูเราว่าไม่เป็นบุญคุณเวลาเราเกิดอารมณ์เสียเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาเราก็อาจจะไปทําร้ายคนที่เขามีพระคุณกับเราก็ได้แต่ถ้าเรามีความสํานึกในบุญคุณของคนที่มีพระคุณกับเราอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราเกิดความโกรธเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาเราจะคิดไปทําร้ายผู้ที่มีพระคุณเราก็จะไม่กล้าทํากันเราก็จะมีอ สติยับยั้งในการที่จะไปทำร้ายบุคคลเช่นพ่อและแม่พ่อแม่นี้เป็นผู้มีพระคุณสูงเท่ากับพระพุทธเจ้ากับพาาาระอรหันต์เลยแล้วถ้าไปทำบุญกับพ่อกับแม่ก็ถือว่าได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าทำบุญกับพระอาหารหันต์แล้วก็ถ้าไปทำบาปไปทำร้ายพ่อแม่ก็ถือว่าได้ทำร้ายทำบาปพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์เลย เช่นโทษของการทําร้ายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่เรียกว่าอนันต์ะ อ, อนันตาริยกรรมเป็นกรรมที่หนักที่สุดใครทากรรมอันนี้มีอยู่ห้าข้อด้วยกันนี้จะไปตกนรกนรกขุมที่เล็กที่สุดนานที่สุดอนันตารยกรรมนี้ก็มีห้าข้อด้วยกันข้อหนึ่งก็ฆ่าพ่อข้อสองฆ่าแม่ข้อสามฆ่าพระอรหรันต์ ข้อสี่ทำให้พระพุทธเจ้าพ่อเลือดและข้อห้ายุโยงทําให้สงเกิดความแตกแยกสามัคคีกันอันนี้แหละถือว่าเป็นกรรมหนักที่สุดในพระพุทธศาสนาและผู้ที่กระทากรรมเหล่านี้มักจะเป็นผู้ที่ไม่มีความกตัญญูกะตะเวทีไม่มีความสํานึกในบุญคุณของบุคคลเหล่านี้ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้านี้มีพระคุณต่อโลกขนาดไหนไม่รู้ว่าพระอรหันตสามกนนั้นมีพระคุณต่อโลกขนาดไหน ไม่รู้ว่าพระสงฆ์ของพระพุทธศาสนานี้มีความสำคัญมีพระคุณต่อสันโลกอย่างไรไม่รู้พระคุณของพ่อไม่รู้พระคุณของแม่ <c oughs> ถ้าไม่รู้บุญคุณแล้วก็เวลาที่เกิดความเห็นผิดขึ้นมา <c oughs> ก็อาจจะเนรคุณได้หรือถึงกับทำร้ายผู้ที่มีพระคุณกับเราได้ <c oughs> นี่คือเรื่องของ บุญคุณของพ่อของแม่และโทษที่จะเกิดขึ้นจากการไปทําร้ายพ่อแม่ทำร้ายพระพุทธเจ้าทําร้ายพระอาหารหันต์ทให้พระสงฆ์แตกแยกกันจึงไม่เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังต้องคอยคิดถึงบุญคุณของท่านเหล่านี้คิดถึงบุญคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่มีผู้นําทางผู้ที่มีแสงสว่างแห่งธรรม ที่จะพาให้เราได้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยนานๆจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏขึ้นมาอยู่ในโลกสักครั้งหนึง่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาถ้าเราไม่รู้จักบุญคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็อาจจะอาจจะประมาทอาจจะอะไม่ให้ไม่ให้ความเคารพนับถือ อาจจะมีความคิดที่ไม่ดีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อพระศาสนาได้น้นเพื่อความป้องกันการกระทําที่ไม่ดีเหล่านี้เราต้องศึกษาพระคุณของท่านเหล่านี้ศึกษาพระคุณของพระพุทธเจ้าศึกษาพระคุณของพระอรหันตสาวกศึกษาถึงพระคุณของพระอริยสงสารแล้วก็ศึกษาถึงพระคุณของพ่อของแม่ ว่าเป็นบุคคลที่มีแต่พระคุณไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีโทษกับใครเลยทำแต่คุณทำประโยชน์ให้แก่โลกพ่อแม่ก็ทำแต่คุณทำแต่ประโยชน์ให้กับลูกไม่เคยคิดทำร้ายลูกเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้คือสิ่งที่ในวันแม่ที่วันนี้ที่เขามีจัดวันแม่ขึ้นมานี้ก็เพื่อให้ลูกๆทุกคน ไม่มีใครเป็นลูกกันไม่มีใครเกิดมาเป็นพ่อเป็นแม่ได้ก่อนจะเป็นพ่อเป็นแม่ได้ก็ต้องเป็นลูกก่อนทุกคนเป็นลูกหมดทุกคนมีพ่อมีแม่หมดทุกคนต้องรู้จักบุญคุณของพ่อของแม่วยทีต้องป้องกันไม่ให้ลืมบุญคุณก็คือให้นำลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่อยู่เรื่อยๆอย่างน้อยก็วันละสองครั้งก็ยังดีเช้ากับเย็นก่อนนอนก่อนนอนก็กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นอกราบพ่อกับแม่ อณะที่กาบก็แล้วถึงบุญคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญคุณของพ่อของแม่ตอนตอนตื่นขึ้นมาก็ทําเช่นเดียวกันแล้วเราจะไม่หลงไม่ลืมแล้วเราถ้ามีโอกาสยิ่งสมัยนี้ถ้าเราไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เราก็มีโอกาสที่จะติดต่อกับพ่อแม่ได้มีการสื่อสารที่ทันสมัยถ้าไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ก็ควรที่จะติดต่อกับพ่อแม่อยู่เรื่อย ถามสาระทุกข์สุขดิบเผื่อบางทีท่านเป็นอะไรขึ้นมาท่านเหนื่อยร้อนอะไรขึ้นมาถ้าเราไม่ถามท่านก็อาจจะเก่งใจจะไม่กล้าบอกเราเพราะไม่อยากที่จะมาเอา่อมาเบียดเบียนเรามาสร้างความเดือดร้อนให้กับเรามันถึงต้องเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องคอยติดตามสาระทุกข์สุขดิบของพ่อของแม่อยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเรามีรายได้ที่พอเหลือใช้เราก็ต้องมี แบ่งส่งไปให้พ่อแม่ด้วยทำให้มันเป็นนิสยัยเงินเดือนมานี้ต้องคิ ด, ดยอดส่วนหนึ่งนี้ต้องแบ่งให้พ่อให้แม่ก่อนเป็นการทดแทนบุญคุณของพ่อของแม่ส่วนที่เราเงินที่เราอยากเอาไปใช้ซื้อของฟุ่มเฟือยถ้ามันไม่พอใช้ก็หยุดตัดมันไปก่อนเอาเงินที่มาให้พ่อแม่นี้สาคัญกว่าเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยของที่ไม่จาเป็นต่าง ต้องมีเงินเราต้องมีการกรําหนดการใช้จ่ายเงินของเราจะใช้จ่ายเงินเพื่อปัจจัยสี่เท่าไหร่จะใช้จ่ายเงินเพื่อทดแทนบุญคุณเท่าไหร่ <Yes. S 2> จะใช้จ่ายเพื่อการทําบุญเท่าไหร่ <Yes. S 2> แล้วค่อยถ้ายังมีเหลือก็จะใช้ไปใช้จ่ายไปกับเรื่องของของเรื่องของของไม่จําเป็นก็ได้ของหรูหราหรือ ใช้ใจ่ายไปกับการไปเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆไม่ท่องเที่ยวกันอันนี้แต่สิ่งที่สําคัญควรจะมีเริ่มต้นก็คือหนึ่งการมีเงินทังไว้สำหรับใช้ใจ่ายสำหรับเลีย้ยงดูร่างกายของเราและครอบครัวของเราคือปัจจัยสี่แล้วก็มีเงินส่งไว้ให้พ่อให้แม่แล้วก็มีเงินไว้แบ่งไม้ทําบุญ แล้วถ้ายังมีเงินเหลืออยู่เราจะเอาไปใช้ใจ่ายตามอะไรที่เราอยากจะใช้ก็ได้แต่การใช้ใจ่ายแบบฟุ่มเฟือยใช้ใจ่ายแบบซื้อของที่ไม่จําเป็นของหรูหราเนี่มันไม่ได้เป็นคุณแก่จิตใจมันจะเป็นโทษเพราะของฟุ่มเฟือยของหรูหรานี่มันเป็นเหมือนยาเสพติดมันจะทําให้เราติดแล้วเราต้องคอยซื้อมันอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาที่เราไม่ได้ซื้อมันจะทําให้เรารู้สึกหงุดหงิด ถาเราร่วมเป็นโทษเราก็อาจจะตัดมันไปอะไรก็ได้เรื่องค่าใช้ใจ่ายซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเอาเงินส่วนนี้มาเข้าไปในส่วนที่จะเอาไปทําบุญดีกว่าเพราะการทําบุญนี้มีทั้งมีประโยชน์มากมีประโยชน์ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เวลาทําบุญทําทานแล้วใจเราจะมีความสุขมีความอิ่มใจจะไม่หิวโหยกับการที่จะไปหาของฟุ่มเฟือยต่างๆมาเสก จาไม่ค่อยหิวโหวยกับการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจะทำให้เราอยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุขได้ไม่ต้องดิ้นเลยถ้าเราเอาเอาเงินที่จะไปใช้กับการไปเที่ยวกับการไปซื้อของฟุ่มเฟือยนี้เอามาทำบุญทำทานแทนแล้วบุญนี้จะทำให้ใจเรามีความสุขมีความอิ่มทำให้เราไม่หิวโหวยกับลูกเสียงกิ่นรสสดทพภชชนิดต่างๆแล้ว เงินที่เอามาให้พ่อให้แม่ก็ถือว่าเป็นเงินทําบุญเหมือนกันเพราะพ่อแม่นี้ก็เป็นผู้มีพระคุณกับเราพระพุทธเจ้าบอกว่าพ่อแม่เป็นเหมือนผ้าอาหารของลูกๆทําบุญกับพ่อแม่นี้ก็ถือว่าได้ทําบุญกับพระอาหารได้บุญมากได้กุศลมากได้ความสุขใจมากอันนี้ก็สิ่งที่เราควรที่จะคิดอยู่เรื่อยๆทุกวันเกี่ยวกับเรื่องบุญคุณของพ่อของแม่แล้วก็ พยายามติดตามคอยดูแลท่านอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ท่านขาดแค่นอะไรท่านต้องการความช่วยเหลืออะไรก็เราก็ต้องต้องต้องยินดีต้องรีบทำทันทีมีงานมีการอะไรที่ที่ลที่เร า, เราอาจจะต้องขอลาไปก็ก็ลาไปบ้างก็ได้เพราะเรามีพ่อแม่เพียงสองคนงานนี้เราหาใหม่ได้ถ้าหางานนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราก็หางานใหม่ได้ แต่พ่อแม่ของเรานี่เราหาใหม่ไม่ได้ถ้าท่านตายแล้วท่านไปเลยท่านจะไม่กลับมานะนี่ก็คือสิ่งที่เราชาวพุทธกันได้ถูกสั่งสอนมาให้กระทํากันก็คือให้มีความกตัญญูกตัญมีทีต่อพระผู้มีพระคุณอย่าทําร้ายผู้มีพระคุณเพราะมันเป็นกรรมหนักเป็นอนันตฤกษ์กรรม ตายไปก็ต้องไปตกนรกขุมที่เล็กที่สุดนานที่สุดนี่คือเรื่องของความสํานึกในบุญคุณของพ่อแม่มแล้วถ้าเราอยากจะช่วยพ่อแม่ให้หลุดพ้นจากอบายได้สิ่งที่เราต้องทำก่อนก็คือสอนตัวเราให้หลุดพ้นจากอบายให้ได้ก่อนพยายามให้ความสำคัญต่อการศึกษา ต่อการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าตอนนี้เรามีคําสอนแล้วมีทางไปสู่การหลุดพ้นได้แนละ้วนี่อยู่ที่ตัวเราเองเท่านั้นว่าเราจะให้ความสําคัญต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นเองถ้าผู้ใดให้ความสําคัญต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติการหลุดพ้นจากทุกอันตรายทุกภัยต่างๆทุกของการยินว่าตายเกิดนี่ ก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนอำนาจคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสันทิติโกผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองอสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ด้วยตนเองเพราะมีผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติและได้บรรลุเป็นพระอาริยบุคคลขึ้นมาเป็นจนํานวนมากแล้วนับตั้งแต่สมัยพระพุทธการใช่ไหมจนมาถึงสมัยปัจจุบันนี้ ทุกคนอนะถ้าใครมีความยินดีมีศรัทธามีความเชื่อแล้วก็ทุ่มเทให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติ mm hmm. ก็จะได้รับผลเช่นเดียวกัน mm hmm. อยู่ที่เราว่าเราจะยอมทุ่มเทยอมแลกเปลี่ยนเวลาที่เราเอาไปหาความสุขทางโลก mm hmm. ให้มาป mm hmm. ใหมากับการศึกษากับการปฏิบัติหรือไม่ mm hmm. ก็เราจะได้รับความสุขทางธรรม ธรรมะของพระเจ้านี้ไม่จํากัดเพศจํากัดวัยมันจะเป็นใครก็ได้ถ้ามีกําลังมีศรัทธาที่สามารถปฏิบัติตามได้ก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้บรรลุเป็นภาษาวกของพระพุทธเจ้าได้สาวกของพระพุทธเจ้านี้มีทั้งมักบวชมีทั้งผู้คลองเรือนคารวะมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มีทั้งคนจนมีทั้งคนรวยมีคนทุกประเภท ก็สำคัญที่จะทําให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกนี้ก็คือศรัทธาความเชื่อเชื่อในการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ตัดสู้ทรมันเลิศอันประเสริฐที่ไม่มีใครรู้มาก่อนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสู้ทำมันเลิศที่จะพาให้สัตว์โลกหลุดออกจากกองทุกแห่งการเวีนว่ายตายเกิดได้จะไม่มีใครสามารถที่จะ นำพาจิตใจของตนให้หลุดออกจากการวียนว่ายตายเกิดได้เลย<ม>ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้ลูก่อนแล้วหลังจากที่ทรงได้ตัดสรู้้แล้วแล้วถึงจะนำมาเผยแพร่สั่งสอนต่อไปถ้าพระพุทธเจ้าตัดสรรู้แล้วไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่แสดงไม่ไม่แสดงธรรมไม่เผยแพร่ธรรมไม่ประกาศพระพุทธศาสนาขึ้นมาก็จะไม่มีใครสามารถที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้จะมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นต้องรองให้พระเจ้าทรงตัดสินใจก่อนพ อ, อพระพุทธเจ้าทรงตัดสินใจว่าพร้อมที่จะสละเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตนี้มาให้กับการเผยแผ่ธรรมะเพื่อให้ผู้ที่ยังติดอยู่ในกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ได้หลุดพน้นจากกองทุกกันอันนี้คือสิ่งที่เราต้อง มีศรัทธาความเชื่อว่านี่คือเรื่องจริงเรื่องของพระพุทธเจ้านี้คือเรื่องจริงเรื่องของธรรมะที่พระเจ้าได้ส่งค้นพบและทําให้พระเจ้าที่เคยติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานนี้สามารถหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ตายเกิดได้ mm hmm. ถ้าถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่อยากจะศึกษา mm hmm. แต่ถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริง เมื่อก่อนนี้พระเจ้าก็ไม่ได้หลุดพ้นพระเจ้าก็ยังติดอยู่ในกรองทุกแห่งการเวีนว่ยตายเกิด ย, ยังทุกกับความแก่ความเจ็บความตายอยู่แต่พอหลังจากที่พระองค์ได้ออกบวชได้ทรงปฏิบัติศีล ส, สนาที่ปัญญาในที่สุดก็เข้าถึงปัญญาอั น, อนสูงสุดคือเข้าถึงพระอริยสัจสี่เข้าถึงเข้าถึงความจริงของทุกข์ว่าทุกข์เกิดจากอะไรและความจริงของการดับทุกข์ว่าดับได้ด้วยอย่างไร พอรู้จักวิธีดับทุกข์แล้วก็นําเอามาสั่งสอนให้ผู้ที่ต้องการจะดับทุกข์ให้มาปฏิบัติสร้างวิธีการดับทุกข์กันวิธีการดับทุกข์ก็เรียกว่ามรรคแปดนี้หรือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาอันนี้แหละคือเครื่องมือมิ้นเป็นมรรคที่จะนําพาให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความความทุกข์แห่งการมีม้าตายเกิดได้อันนี้ก็คือมีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคําสอน ตอนต้นก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระพเจ้าเป็นผู้ตัดทะลุทำอนเล น, นประเสริฐที่จะทําให้ผู้ที่นำเอาไปปฏิบัติได้หลุดพ้นได้เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องมาเชื่อพระธรรมคาสอนพระธรรมคาสอนก็สอนให้เราปฏิบัติปฏิบัติทานศีลภาวนาทําบุญทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาจเจริญสตินั่งสมาธิจเจริญปัญญาวิปัสสนานนถ้าเราปฏิบัติ ทั้งทงสามข้อนี้ได้ทานศีลภาวนาได้วิมุติหลุดพ้นหรือการบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนเราต้องมีความเชื่อมั่นใจว่าพระธรรมคำสอนเป็นอย่างนี้เราสามารถพิสูจน์เราสามารถดูได้จากตัวอย่างของผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อตั้งแต่ครั้งแรกที่พระเจ้าทรงสแสดงธรรม มีผู้มีศรัทธาความเชื่ออยู่ห้าห้ารูปด้วยกันพระปัญจวคียถ้าไม่ไม่มีศรัทธาความเชื่อก็จะไม่ฟังธรรมแต่เชื่อว่าพระเจ้านี้มีของดีมาแจกมาสอน<ม>ก็เลยนั่งฟังกันพอนั่งฟังไปแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนในขณะที่ฟังไปด้วยเพราะการปฏิบัติของของจิตนี้บางทีนั่งอยู่เฉยๆในสมาธินี้ในการฟังธรรมนี้ก็สามารถปฏิบัติ ทำลายกิเลที่มีอยู่ในใจได้ด้วยเหตุด้วยผลที่พระเจ้าทรงสอนไว้พอหลังจากสแสดงธรรมเสร็จก็มีหนึ่งในพระปัญจวคัคคีคือพระอนญาณโกลทัญญาก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นเป็นพระลิยบุคคลคนแรกของพระพุทธศาสนาเร า, า, าก็ต้องเชื่อว่านี่คือความจรงมิงการฟังธรรมและการปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ จะนำไปสู่การบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆตามลําดับได้อย่างแน่นอนแล้วหลังจากนั้นพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมอีกสองสามครั้งด้วยกันพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็สามารถบรรลุเป็นพระอราหันต์ได้อย่างสมบูรณ์พระอริยบุคคลมีสี่ระดับระดับแรกเรียกว่าโสดาบันระดับที่สองเรียกวสกิทาคามีระดับที่สามเรียกว่าอนาคามีระดับที่สี่เรียกว่าอารหรันต์ พอทรงสแสดงครั้งแรกก็มีชงสแสดงให้บรรลุถึงขั้นพระโสดาบันได้และพอทรงสแสดงทำอีกสองสามครั้งก็สามารถทําให้ได้ให้ได้บรรลุถึงขั้นที่สูงสุดคือขั้นพระอรหันต์ได้นี่คือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่มีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าและน้อมนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติทําไมพระพระปัญจวัคคีย์จึงสามารถบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็ว ก็เป็นเพราะว่าพระจรรจารวกทีนี้ท่านมีทำรองรับคําสระปัญญาของพระอาจาหนึ่งท่านได้ทําทานมาแล้วเป็นนักบวชนี้ก็แสดงว่าได้ทําทานได้เสียสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปหมดแล้วนักบวชนี้ก่อนที่จะบวชก็มักจะมีฐานะกันมีเงินมีทองมีทรัพย์สินอะไรต่างๆแต่พอตัดสินใจที่จะออกบวชก็สีละทรัพย์สินัไปหมดให้ทานผู้อื่นไป นี่ก็เรียกว่าท่านได้ทำทานมาแล้วพระปัญจวัคคีแล้วท่านก็รักษาศีลของนักบวชได้อย่างบริสุทธิ์แล้วท่านก็ฝึกสมาธิจนจิตของท่านรวมเป็นอัปปนาสมาธิเป็นฌานขั้นต่างๆเพราะจิต ม, มีสมาธิอยู่ในระดับฌานขั้นต่างๆจิตก็จะมีพลังของการต่อต้อตานหรือการหยุดกิเลสปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในใจได้พอได้ฟังทําคือปัญญาว่า ตัวที่มาทั้งสร้างความทุกข์ให้กับใจตัวที่พาให้ใจต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็คือตัญหาความอยากต่างๆพอมันโผล่ขึ้นมาก็ใช้ปัญญาใช้กำลังของสมาธินี้หยุดมันได้เลยเพราะรู้ว่านี่คือตัวปัญหาพอเกิดความอยากขึ้นมาแล้บแทนที่จะทําตามความอยากเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่ทําหยุดความอยากเสียพอหยุดความอยากได้ความความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะหายไป ใจก็นิ่งสงบมีความสุขไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปทำอะไรก็มีความสุขได้ไม่ต้องไปทำตามความอยากเพราะการไปทำตามความอยากมันเป็นความสุขเดียวเดียวแล้วเดียวมันความสุขที่ได้มันก็จะหายไปพอมันหายไปความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราหยุดความอยากว่าใจเราก็มีความสุขเหมือนกับเหมือนกับตอนที่เราไปทำตามความอยากแต่มันดีตรงที่ว่าความอยากนี้มันจะไม่มันหายไปแล้วหายไปเลย มันจะไม่กลับมาลกบกวนมาสร้างความลำคาญให้กับใจเราอีกต่อไปอ mm hmm. นี่คือพระอริยสง์สาวกของพระพุทธเจ้าเราต้องมีความมั่นใจเราต้องมีความรู้จักพระพูดพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นใคร mm hmm. มันไม่ใช่เป็นของที่เขา mm hmm. เข า, เขาบุ้งแต่งขึ้นมาเป็นนิยายมันไม่ใช่มันเป็นความจริงมีจารึกไว้ในพระไตรปิฎก mm hmm. พระไตรปิฎกนี้คือคัมภี์ของพระพุทธศาสนา มีบันทึกเหตุการณ์ต่างๆตั้งแต่วันที่พระเจ้าทรงตัดทะลุทรงนํำทำที่ได้ทรงตัดทะลุมาเผยแผ่ให้แก่สรรโลกควาจริงมีบันทึกไว้ตั้งแต่วันที่ประสูติเลยประวัติของพระพุทธเจ้าก็อยู่ในพระไตรปิฎกเป็นพระเป็นเจ้าชายอยู่29ปีหลังจากที่เห็นคนแก่คนตายก็เกิดความทุกข์เกิดความกลัวเห็นนักบวชก็เลยเห็นหนทางออกของการหลุดพ้นจากความทุกข์ จากความแก่ความเจ็บความตายก็คือต้องไปบวชนั่นก็เลยต้องออกบวชในตอนที่อายุยี่สิบเก้าปีและหลังจากที่ได้ศึกษาอยู่หกปีท่านก็หลุดพ้นเป็นตัดสุขเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานี่เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องปรุงแต่งไม่ใช่เป็นนิยายมีสถานที่ที่เราสามารถไปพิสูจน์ได้ในประเทศอินเดียสี่สถานสถานที่ประสูติสถานที่ตัดสุ้ สถานที่แสดงธรรมให้กับพระปัญญาวัคขีครั้งแรกและสถานที่ ท, ที่ส่งเสด็ดดับขันท่ปารณนีผ่านไปมีมีมีจารึกไว้ในประในในประวัติศาสตร์ของประเทศเหล่านั้นด้วยเป็นเครื่องยืนยันว่าเรื่องของพระพุทธเจ้านี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เป็นนิยายถ้าถ้าชาวพุทธที่ยังลังเลสงสัยอยู่พระเจ้าเกาบอกว่าให้ไปเยี่ยมสี่สถานี้ไปกาบไป ไปนมัสการสังเวชนญญสถานสี่สถานคือไปที่ประเทศอินเดียไปดูที่ประศุทธ์ของพระพุทธเจ้าว่าอยู่ตรงไหนไปดูที่ตัดสลูของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนไปดูที่ทรงแสดงธรรมปรวดท่าปัญจวัคคีย์่ออยู่ตรงไหนแล้วไปดูตอนที่พระเจ้าเสด็จดับขันธ์ท่าตนนี้านอยู่ตรงไหนถ้าเราได้ไปเห็นไปดูด้วยตาของเรานี้ความดังเลสงใจสงสัยนี้ก็จะหายไป สำหรับแต่สำหรับผู้ที่ไม่สงสัยเพียงแต่ศึกษาประวัติศึกษาความจริงจากพระไตรปิฎกก็มีความเชื่อก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปก็ได้ไม่ใช่หมายควาว่าต้องไปที่ประเทศอินเดียกันทุกคนถึงจะมีความเชื่อที่ที่แน่นอนถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราลองเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติแลวพอเราได้เห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติ ความสงสัยต่างๆที่เคยมีอยในใจของเรามันก็จะหายไปไม่ต้องไปที่ประเทศอินเดียก็ได้สําหรับคนที่มีความเชื่อแล้วแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีความเชื่อและยังไม่สามารถศึกษาและปฏิบัติจนเห็นผลได้ก็อาจจําเป็นที่จะต้องไปที่ประเทศอินเดียถ้ามีโอกาสไปได้ก็ไปไปแล้วก็อาจจะช่วยให้ให้เกิดความเชื่อที่มั่นคงไม่ลังเลสงสัยอีกต่อไปว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นของจริงหรือไม่ สามารถพาสัตว์โลกให้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หรือไม่มี ส, สิ่งที่เราชาวพุทธควรจะกระทำกันควรสร้างศรัทธาความเชื่อขึ้นมาวิธีหนึ่งก็พยายามศึกษาและปฏิบัติตามให้มากที่สุดถ้าศึกษามากขึ้นจะเข้าใจอะไรได้มากขึ้นดีขึ้นละเอียดขึ้นเราจะสามารถส่งให้การปฏิบัติของเรานี้ได้ผลมากขึ้นไป พอเรได้สัมผัสกับความน้มเย็นเป็นสุขที่เกิดจากการปฏิบัติต่างคําสอนแล้วเนี่ยความรังไงรังเลสงสัยความเมินใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มันจะหายไปแล้วมันจะทําให้เรานี้มีศรัทธาที่แรงกล้าที่อยากจะอุทิศชีวิตของเราให้กับการศึกษากับการปฏิบัติพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นไปเรื่อยๆพอเรามีศรัทธาแล้วความเพียรพยายามที่จะศึกษาปฏิบัติก็จะมีมากขึ้นมากขึ้น พอปฏิบัติมากขึ้นผลก็จะเกิดมากขึ้นมากขึ้นไปตามลําดับจนถึงวันหนึ่งกอ็อาจจะอยากออกไปปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบคือตอนต้นก็อาจจะศึกษาปฏิบัติในขณะที่เป็นคาราว่าเป็นผู้ครองเลยไปก่อนแต่หลังจากที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้สัมผัสกับผลแล้วก็อยากจะได้สัมผัสกับผลมากขึ้นอยากจะปฏิบัติมากขึ้น ตอนนั้นก็จะเห็นความสําคัญของการไปออกการไปบวชเพราะการเป็นผู้คลองเรือนเป็นคาลรว่านี้ยังต้องมีภาระหน้าที่ทาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงดูคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยอยู่จึงทําให้เวลาของการปฏิบัตินี้มีไม่มากพอรับรู้ว่าถ้าอยากจะให้ได้ผลจากการปฏิบัติให้มากขึ้นก็ต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติให้มากขึ้นเมื่อถึงเวลานั้นก็มักจะเปลี่ยนเพศกันแปลงเพศจากการเป็นผู้คลองเรือน ไปกลายเป็นนักบวชกันไปบวชถ้าบวชแบบนี้แล้วมักจะไม่เสือกกันเพราะบวชเพื่อเพื่อต้องการเวลาให้กับการปฏิบัติแต่ถ้าบวชตามประเพณีนี้บวชแล้วเสือกกันถ้าบวชตามความเชื่อว่าบวชแล้วจะส่งให้พ่อแม่ไปสวรรค์ตอบแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่อันนี้ก็ทําไปตามตามแผนพอบวชได้สามเดือนก็เสือกกันไปนี้ไม่ได้บวชแบบศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคําสอนบวช ด้วยศรัทธาความเชื่อในขนบรรมรำเนียมประเพณีว่าการบวชของลูกนี้สามารถช่วยส่งให้พ่อแม่ไปสวรรค์ได้เท่านั้นเองอันนี้ก็คือเรื่องที่เราต้องเกี่ยวกับกนตอบแทนยุญคุณของพ่อแม่ถ้าเราอยู่ในฐานะใดที่เราทําแบบไหนได้ก็ทําไปถ้ายังไม่สามารถที่จะพาพ่อแม่ให้ไปไปไปสวรรค์ไปนิพพานด้วยการปฏิบัติได้ เราก็เลี้ยงดูพ่อแม่ไปให้ท่านอยู่ในขณะมีชีวิตอยู่ให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ทุกข์ยากเดือดร้อนขาดแคลนอะไรก็ต้องคอยสรรหามาทดแทนบุญคุณให้กับพ่อกับแม่แต่ถ้าเราสามารถปฏิบัติมีดวงตาเห็นธรรมได้ก็ชวนพ่อแม่ไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านก็จะทำอย่างนี้ตอนต้นท่านก็ไปบวชก่อน หลังจากท่านบวชบรรลุแล้วท่านก็จะกลับมาชวนพ่อชวนแม่ไปวัดเข้าวัดกันไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมก็อยู่ที่ว่าพ่อแม่มีกําลังที่จะทําตามการเชื้อเชิญของลูกๆหรือไม่พ่อแม่บางคนก็มีกําลังที่จะทําตามได้ก็บรรลุทําตามลูกๆได้อันนี้ก็เป็นวิธีการทดแทนบุญคุณที่สูงสุดที่ดีที่สุดก็คือ พาพ่อแม่ให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้ดับรลภเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ น, านนี่ก็คือเรื่องราวของพระคุณของพ่อแม่ในวันแม่ที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาตาวาเรวาหาปุราปริปุเรนติสาขลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพตุเรนตุสังกปา ดัณโูปนาราสุยถามณิโชตเดราสุยถาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพโลกวินาสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสะนิจจังวุทฒาปจายีโนจะตาโรธรรมาวทานติ อายุวั น, นสุขังฮาลางังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถามใครมีคําถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามา ก, ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้ติดตามทาง facebook 440ท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติ308ท่านทาง y o u t u ด e อกตรวี47ท่านวิทยุออนไลน์ online, 10ท่านคลับเฮาส์6ท่านผู้รับฟังหน้ากุติ203ท่านรวมทั้งหมด1 1 4ท่านครับ มีคำถามจากทางช่องด็อเตอร์วีชาวแชนแนลจ้าจากคุณใบยกนะคะลูกนั่งสมาธิจนถึงสภาวะของอุเบกขาที่หนึ่งชั่วโมงแต่ในระหว่างวันที่ดำรงชีวิตปัญญาคือสิ่งที่จะทำให้ใจเป็นอุเบกขาใช่ไหมเจ้าคะลูกเจอบททดสอบด้านการใช้ปัญญามาดับเหตุคิดเช่นไร ใช่ให้ปัญญาคอยดับความอยากความโลภต่างๆที่เป็นเหตุที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจเชาค่ะจากคุณแม็กการระลึก ถ, ถึงพระรัตนตยทำอย่างไรครับสาธุก็มีหลายวิธีแบบ<ม>พิสดาลกับไม่พิสดาลพอพิสดานก็สวดบทอ e ิติปิโสไป ถ้าแบบไม่พิสดารก็ท่องพุโ ท, ทโธธโมโสังโฆไปคำถามต่อไปจากคุณทอนเที่ยวทากิน mm hmm. การปฏิบัติตามมรรคดคืออย่างไรครับก็เหมือนกับเดินตามคําที่เขาบอกให้เราทำเขาบอกให้เราเดินตรงไปเราก็เดินตรงไป mm hmm. เขาบอกให้เราเลี้ยวซ้ายเราก็เลี้ยวซ้ายไป mm hmm. ต้องศึกษามัคแปดแล้วทำตามที่มัคแปดสอนให้ทำไปจากคุณแอนนี่เจ้าค่ะมีคนกล่าวว่าถ้าพ่อแม่ไม่ดีกับลูกทำร้ายตบตีหรือคาดหวังแต่เงินทองลูกก็ไม่จำเป็นต้องกระตันยูหรือทนอยู่และมีคนกล่าวว่า พ่อแม่ไม่ใช่พระอาหารหันต์หลวงพ่อมีความเห็นอย่างไรเจ้าค้ากับคนที่คิดเช่นนี้ปัจจุบันและถ้าเราทำดีกับพ่อแม่ด้วยความกตัญญูดูแลเรื่องอาหารการกินเป็นอยู่ด้วยความเต็มใจแต่ทางใจอาจจะไม่ดีมากพอทําร้ายด้วยวาจาที่ไม่เหมาะสมบ้างแต่ก็เพราะเป็นห่วงแบบนี้เถอว่าได้บุญและบาปใหม่เจ้าข้า ก็ถ้าตอบแทนบุญคุณทำดีกับพ่อแม่ก็ได้บุญ<ม>ทําร้ายพ่อแม่ก็ได้บาป<ม>ถ้าปฏิเสธบุญคุณของพ่อแม่ว่าไม่มีบุญคุณ<ม>ก็เอาร่างกายนี้คืนพ่อแม่ก็ไปเลย<ม>จะได้บุร่างกายเราเหมือนรถยนต์ที่เราไปยืมเข้ามาใช้เนี่ยถ้าเราว่าคนที่เขาให้เราใช้รถยนต์นี้ไม่มีบุญคุณกับเรา<ม>กเรา็เอารถยนต์ไปคืนเขาก็แล้วกันเธอค่ะ<ม> แล้วถ้าพ่อแม่ที่ทิ้งเราไปตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ระะักษพระอาจารย์เราตัดขาดเลยได้ไหมหรือช่วยเท่าที่เราไหวได้ไหมครับก็ยังเป็นพ่อกับแม่เราอยู่ไม่ว่าเขาจะทาอะไรกับเราก็ตามเพราะว่าพ่อแม่ก็มีทั้งพ่อแม่ที่ดีก็มีพ่อแม่ที่ไม่ดีก็มีแต่ที่ดีทุกคนเหมือนกันก็คือเขาให้ร่างกายกับเรา เนีเราปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้การที่เรามาเกิดได้นี้ต้องมีพ่อแม่ให้กาเนิดเราถึงแม้พ่อแม่จะไม่ดีไม่เลี้ยงดูเราทอดทิ้งเราอันนี้ก็ไม่ไปลบล้างบุญคนที่เขาให้ร่างกายกับเราเนี่ยเราก็ต้องมีความสำนึกในบุญคนอันนี้เสมอไปเพราะถ้าไม่มีพ่อแม่เร า, าเกิดมาในโลกนี้ไม่ได้เราจะไม่สามารถไปทําอะไรตามที่เราทําอยู่ได้ในขณะนี้เล ย, ยดังนั้นถึงแม้ว่าพ่อแม่จะไม่ดี ทุบตีเราบ้างเวลาเขาอาจจะโกรธหรือจะอะไรขึ้นมาเราก็ต้องยอมรับว่าอันนี้เป็นส่วนที่ไม่ดีของพ่อแม่แต่ส่วนไม่ดีนี้ไม่สามารถไปลบล้างส่วนที่ดีได้เราก็แยกบัญชีเอาไว้ว่าอันนี้เป็นเรื่องไม่ดีสาหรับเขาถ้าเราหลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีกอย่าไปอยู่ใกล้เขาถ้าเกิดเขามีอารมณ์ไม่ดีอะไรเป็นต้นอย่างนี้แต่ไม่ควรที่จะไปอาฆาตพยาบาทก่เกลียดพ่อแม่ พราะอินะยังไงท่านทํำไงกับเราไอ้ไอสิ่งที่ท่านให้เราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลยิ่งกว่าสิ่งที่ท่านทําร้ายเราเพราะฉะนั้นเราต้องมองไว้ตรงจุดนี้แล้วตัดกันไม่ขาดแล้วพ่อแม่ลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติเป็นความจริงไม่ใช่เป็นสมมูิเหมือนกับว่าเราเป็นแฟนกันสามีภรรยา ย, ยังตัดขาดกันได้เลิกกันได้แตจะเลิกกันเป็นพ่ อ, พอแม่ลูกยันเลิกไม่ได้เป็นความจริง ที่ลบล้างไม่ได้เพรนั้นก็คนจะรู้จักแยกแยะเัาแล้วกันว่าพ่อแม่ก็ยังเป็นคนที่มีกิเลสอยู่บางทีเขาอาจจะทำไม่ดีทำบาปทำอะไรกับลูกก็ได้อันนี้ก็เราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่อยาให้เขาทำร้ายเราแต่เราไม่ควรที่จะไปโกรธเขาเพราะเขาก็ยังมีบุญคุณกับเราอยู่เช้าค่ะมีคำถามจากอินบอ็อกช้าค่ะ เรียนถามพระอาจารย์ว่าเพื่อนมายืมเงินเราบ่อยครั้งเราให้ทุกครั้งแต่บางครั้งเราไม่สะดวกช่วยแต่ก็ช่วยเหลือไปทุกครั้งเพื่อนคืนเงินทุกครั้งช้าบ้างแต่ก็คืนพอเริ่มยืมบ่อยครั้งตัวเรารู้สึกทุกใจไปกับปัญหาของเพื่อนด้วยเลยตัดสินใจเงียบและปิดการติดต่อกลับในทุกแบบออกมาแบบเงียบๆเพราะไม่อยากคิดมากเรื่องของเพื่อน การทําแบบนี้บาปไหมเจ้าคะไม่บาปหรอกการมีเพื่อนมันก็มีเพื่อทั้งที่เพื่อนที่ดีนะเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนดีก็เคยช่วยเหลือกันคอยดูแลกันเพื่อนไม่ดีก็คอยมาดูดเงินให้เราไปเห็นเพื่อนที่ไม่ดีเราก็ต้องหลบต้องหลีกไม่เสียหายตรงไหนต้องรู้จักเลือกคบคนเพราะเจ้าบอกคบคนดีคนไม่ดีอย่าไปคบไม่ไม่บาปที่การที่เราไม่คบคนดี เพียงแต่ว่าเราอย่าไปรังเกียดเขาอย่าไปเกลียดเขาท่านเองเพียงแต่ว่าเราอย่าไปสนิทสนมกับเขาอย่าไปอะไรที่ทำให้เขาสามารถที่จะมาทำร้ายเราได้ป้องกันตัวเราไว้ก่อนเชิญค่ะจากคุณใบบุญจ้าชอบการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์เจ้าจำเป็นอีกหรือไม่ที่ต้องสวดมนต์อื่นๆเพื่อเสริมในการปฏิบัติเจ้าะ อันนี้แล้วแต่ความพอใจของเราถ้าเราสวดแล้วเราได้ความสุขได้ความเจริญก็สวดไปถ้าเราเห็นว่าเราสามารถทำสิ่งที่ดีกว่าคือนั่งสมาธิไปเลยได้ก็นั่งสมาธิไปเลยก็ได้ไม่ต้องสวดก็ได้เชิค่ะจากคุณสัทธายแห่งพุทธะ บุคคลที่ไม่มีความกตัญยูกระตะเวทีกับพ่อแม่จะมีกรรมอันใดกับตัวบุคคลนั้นเช่นไรครับกลาบขอบพระคุณครับอาจารย์อย่างน้อยก็จะเจอลูกที่ไม่มีความกระตันยู่มีลูกมีอะไร่ก็จบ ล, ลูกทอดทิ้งไม่ไม่เหลืออะไรไม่ดูแลกงกรรมกงเกวียนทําอะไรกับใครไว้สิ่งนั้นก็จะกลับมาที่หาที่ตัวเรา เจ้าค่ะจากคุณปริชาติกราบนมัสการเจ้าค่ะโยมอยู่กับคนแก่คนเจ็บคนป่วยทุกวันและฟังธรรมปฏิบัติธรรมเสมอแต่ยังเผลอไม่พอใจบ้างโกรธบ้างแต่พอคิดพิจารณาถึงกฎตายรักษ์ก็บรรเทาความไม่พอใจลงได้บ้างขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าควรทำอย่างไร ก็ <S <S <an> <S ไม่ต้อ ง, งกังวลกับเรื่องความโกรธถ้าเรายังไม่ได้เป็นภ้าอะหันนี่เรายังต้องโกรธอยู่เพแต่ว่าหาวิธีลดน้อยลดให้มันน้อยลงไปการที่จะลดความโกรธให้น้อยลงไปก็คือเราต้องไปลดต้นเหตุของความโกรธต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากต่างๆอยากได้นั่นอยากได้นี่พอเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็โกรธหรืออยากให้เขาทาอย่างนั้นทําอย่างนี้พอเขาไม่ทําให้เราเราก็โกรธแต่ถ้าเราไม่มีความอยากเขาจะทําทอะไรก็ปล่อยเขาทาไป เราไม่ได้มีความอยากได้อะไรได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีถ้าอย่างนี้ความความความโกรธก็จะมีน้อยลงไปเจ้าค่ะจากคุณอรยาเจ้าค่ะกราบนรัสการค่ะเวลานั่งสมาธิมีความรู้สึกเยินสบายที่กลางอกทําให้เวลานั่งสมาธิจะจับความรู้สึกตรงนี้ทุกครั้งไม่แน่ใจว่าการนี้เป็นจิตสงบมีสมาธิหรือเปล่าเจ้าค่ะเราไม่รู้แล้วใครจะไม่รู้น่ะ คนกินข้าวอิ่มแล้วไม่แน่ใจว่าอิ่มหรือเปล่าไม่ถามคนอื่น <c oughs> เขาจะตอบเราได้ยังไงเจ้าค่ะมีคำถามจากทางเฟซบุ๊กจะคาะหลวงพ่อครับถ้าผมมีความคิดว่ากรรมกรรมทั้งกรรมดีกรรมชั่วเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติอาศัยเหตุปัจจัยแล้วเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวตนของเราความคิดแบบนี้จะเป็นมิจฉาทิฏฐิไหมครับ เป็นเพราะว่ากรรมนี้มันเกิดจากอัตตาตัวตนของเราไปทำเรามีเจตนามีความตั้งใจจะ mm hmm. ตั้งใจจะทำบาปมีตั้งใจจะทําทบุญ mm hmm. ม, มันมีเจตนามันไม่เหมือนลมพัดแดดออกที่ไม่มีความตั้งใจลมพัดแดดออกนี่มันเป็นมีปัจจัยที่ทำให้มันพัดมีมีปัจจัยที่ทำให้มันแดดออก mm hmm. ไม่เหมือนกับกรรมกรรมนี่มันมีเจตนามีตัวตน ตัวที่จะไปทําก็คือตัวตัวตน <Yeah. S 1> แล้วก็เจตนาเนี่แหละเป็นการแสดงออกของตัวตนสักค่ะเพื่อนบอกว่าแม่ชอบดุชอบด่าบางครั้งเพื่อนก็คิดว่าก็ไม่ได้อยากเกิดมาแบบนี้แบบไหมครับถ้าเพื่อนคิดแบบนี้ครับเกิดมาแล้วยังไงนะอะไรเนี่ค่ะ เขาบอกว่าเพื่อนเขาบอกว่าแม่ชอบดูชอบด่าบางครั้งเพื่อนก็คิดว่าก็ไม่ได้อยากมาเกิดแบบนี้บาปไหมครับถ้าเพื่อนคิดแบบนี้คิดผิดไม่อยากมาเกิดมันก็ไม่เกิดสิที่มันมาเกิดเพราะมันยังอยากจะเกิดอยู่นั้นอย่าไปโทษคนอื่นโทษตัวเราเองที่อยากอยากจะมาเกิดพอมาเกิดมันก็ต้องเจอเรื่องราวเหล่านี้ถ้าไม่อยากจะเจอเรื่องราวเหล่านี้ก็อย่ามาเกิด ถ้าไม่อยากมาเกิดมันก็ไม่เกิดอย่างพระพุทธเจ้าไม่อยากมาเกิดเนยะถ้าไม่มาเกิดแต่เราพูดปากพูดอย่างใจเป็นอย่างปากบอกไม่อยากจะมาเกิดแต่ใจมันพามาเกิดเองเหนตราบใดที่เรายัางมาเกิดอยู่แสดงว่าเรายัางมีความอยากอยู่เจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเคมีใครอยากจะถามอะไรหมพระอาจารย์เจ้าค่ะอย่างา ค, คาถามเมื่อกี้ที่ว่าไม่ได้อยากมาเกิด แสดงว่าจริงๆทุกคนอยากมาเกิดแต่แค่จำจำไม่ได้แค่นั้นเองว่าเราอยากมาที่รู้ว่าความอยากที่พานให้มาเกิดเป็นอะไรจ้าค่ะความอยากที่พานมาเกิดคือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสไงเจ้าค่อยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสดมกลิ่นอยู่อยากดูหนังฟังเพลงอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยากมีแฟนอันนี้แหละมันต้องมีร่างกายถึงจะทําได้ถ้าตัดสิ่งเหล่านี้ไปได้มันก็ไม่มาเกิด ตัดกามาตันหาความอยากเสพกามเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลใช่ไคะเจ้าค่ะมีคำถามจากอินบ็อกเจ้าค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเลี้ยงแมวจร8ตัวทำหมันให้แมวทุกตัวแบบนี้เราจะบาปไหมคะไม่บาปการทำหมันไม่ได้เป็นการไปทำร้ายอะไรเขาเจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะ okay. ขึ้นข่ยกมือเลยให้มีนะเดี๋ยวนั่งรอดูเดี๋ยวอาจจะมีคำถามกาลังส่งเข้ามาอยู่ตามมาแล้วหนูอยากทราบเรื่องดวงจิตเจ้าค่ะถ้าเกิดว่าจิตของเราเป็นผู้คิดดีคิดไม่ดีแล้วเราใช้สติไปดูความคิดนั้นก็จะดับไป แล้วเดี๋ยวก็คิดอีกแล้วจิตคืออะไรอะเจ้าคะจิตก็เป็นผู้รู้ผู้คิดไงคือวิญญาณเหรอเจ้าคะที่มารวมกันของความอยากต่างๆของร่างกายแล้วก็ความคิ ด, ดให้จิตมันเป็นเรื่องที่เกิดความอยากอยากดูหนังฟังเพลงนี่อยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายไม่มีความอยาก ร่างกายเหมือนโทรศัพท์มือถือมันไม่มีความอยากจะไปติดต่ อ, อใครไม่มีความอยากจะถ่ายรูปแต่คนใช้มือถือเนี่ยมันมีความอยาก<ม>ใจก็เหมือนกับคนใช้มือถือน่างกายก็เป็นเหมือนมือถือใจอยากจะไปเที่ยวก็ต้องสั่งให้ร่างกายพาไปถ้าอยากจะมีแฟนก็ต้องสั่งให้ร่างกายไปหาแฟนมามมความอยากอยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายถ้า ถ้าใจตัดความอยากหมดไปใจก็ไม่ต้องใช้ร่างกายให้พาไปไหนเมื่อไม่ต้องใช้ร่างกายก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ได้ก็จะไม่กลับมาเกิดอีกหนูเคยเห็นดรื่องจิตกับร่างกายมันอยู่คนละที่กันแต่มันมีเส้นอะไรที่โยงร่างกายกับดวงจิตไว้หรอเล่าคะเอออันนั้นเป็นของปลอมนะั้นไม่ใช่ของจริงแล้วค่ะถ้ายังสงสัยอยู่ก็ไม่ใช่เป็นของจริงถ้าเป็นของจริงก็ไม่สงสัย งั้นอย่าไปสนใจทำจิตให้นิ่งสงบให้ว่าง น, นั่นแหละของจริงเราจะรู้ว่าจิตกับร่างกายเป็นคนละส่วนกันกลับขอบคุณเจ้าค่ะมีคำถามจากทางเฟ e บุ o กเจ้าค่ะว่าถ้าคิดจบชีวิตตัวเองบาปถึงขั้นไหนครับก็ขั้นนรกอ่ะ การฆ่าใครก็ตามมันไปนรกทั้งนั้นะถ้าคนอื่นก็ไปนรกเรืองจะจะลึกขนาดไหนยัง ม, ม, มีหลายขุมด้วยกันฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพ้าหลานเนี่ยลึกที่สุดบาปหนักที่สุดลองลงมาคงจะฆ่าตัวเองนี่แหละ mm hmm. ฉะนั้นอยากฆ่าตัวเองเดี๋ยวมันตายเองไม่ต้องไปเหนื่อยเลยใช่ไหมคะ mm hmm. จากคุณปรีชา ก่อนตายเกิดความเจ็บร่างกายเป็นเพราะเราใช้ชีวิตก่อนหน้านี้ใช่หรือไม่ครับใช่มันเป็นธรรมชาติของร่างกายทุกคนไม่ได้อยู่ว่าใช้ใ ช, ชีวิตอะไรถึงเวลามันจะเจ็บมันก็เจ็บเวลาจะเป็นโรคมันก็เป็นโรคโรคปอดโรคตายมันก็เป็นไป ต, ตามธรรมชาติของร่างกายมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราไปทำอะไรมา คจากทางเพจบุ๊กสอบถามพระอาจารย์ค่ะคุณแม่ชอบขอเงินทุกครั้งที่เจอหน้าทาั้งทั้งที่ให้เงินเดือนคุณแม่ไปแล้วทำให้ดิฉันงุดหงิดทุกครั้งทำอย่างไรดีคะอีกใจก็อยากเจอคุณแม่แต่เจอคุณแม่ขอเงินทุกครั้งเลยต้องห่างค่ะถ้าเรามีให้ก็ให้ไปจะดีกว่า แ, แล้วแต่ว่าถ้าเอาไปทำอะไรด้วย ถ้าท่านเอาไปใช้ในทางที่ผิดก็ไม่ไ ม, ไม่ควรจะให้ก็ได้ถ้าท่านเอาไปซื้อหวยแทงหวยซื้อเหล้ากินไปเล่นการพนันอย่างนี้ก็ไม่ต้องให้นะปฏิเสธได้โกหกได้ก็ไม่มีแล้วงนหมดแล้วมันที่จะให้แม่หมดแล้วเออใช่ค่ะคุณแอนเชลีพรกลับนมาตการค่ะ ลูกสาวพอโตขึ้นนิสัยเปลี่ยนไปทำให้คนเป็นแม่ทุกข์คนเป็นแม่จะแก้ทุกข์ทางใจได้อย่างไรขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เจ้าค่ะเพราะคุณแม่ไม่อยากให้นิสัยลูกเปลี่ยนไปนั่นเองไม่รู้ว่าลูกเมื่อโตขึ้นมันก็ต้องเปลี่ยนนิสัยไปยิ่งโตเท่าไหร่ยิ่งเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นทั้นั้นเพราะนั้นต้องยอมรับความเป็นจริงเนื่ว่าอ น, นิจจังไม่เที่ยงถ้าถ้ารับอ น, นิจจังได้มันก็จะไม่ทุกข์ ล้วรไม่ได้อยากจะให้เป็นเหมือนเดิมพอมันไม่เป็นเหมือนเดิมมันก็จะทุกข์ขึ้นมาแ ม, แม่ต้องแก้ใจแก้ที่ใจแก้ที่ความอยากของแม่อย่าไปอยากให้ลูกไม่เปลี่ยนเ็าจะเปลี่ยนก็ต้องปล่อยเขาเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของเขาคุณวราพรจ้าการที่เราเรียกเก็บค่าในหน้าแล้วนามาทาบุญนั้นเป็นความโลภใหม่คะถ้าเราอยากลดความโลภในใจลงก็แล้วแต่ว่าเราจะเรียกเท่าไหร่ เรีกมากก็โลภมากเรียกน้อยก็โลภน้อยเช่ค่ะกราบด้นมัสการพระอาจารย์เราจะแก้ปัญหาความกังวลใจความทุกข์ใจได้อย่างไรครับก็ทําใจให้สงบอย่าให้คิดปรุงแต่งทําใจให้นิ่งๆเฉยๆสักแต่ว่ารู้แล้วความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดความทุกข์ใจเกิดจากความคิดที่นําไปสู่ความอยากต่างๆพออยากแล้วความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นมาทันที ถ้าหยุดความคิดได้ความอยากก็เกิดขึ้นไม่ได้เ้าค่ะจิตที่มีความโกรธโมโหอาฆาตแค้นยังไม่ดับไปพร้อมจะมีอารมณ์เมื่อมีสิ่งร้าจากบุคคลที่ก่อกวนควรบังคับจิตใจอย่างไรคะแม้หลีกหนีแต่ยังมีจิตเคตอาฆาตอยู่สาธุค่ะก็ใช้ความเมตตาพุทธเจ้าบอกว่าเวนเวนไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวน ถ้าเขาทำให้เราโกรธเราไปทำร้ายเขาเดี๋ยวเขากลับมาทำร้ายเราอีกแล้ยวก็จะทำร้ายกันไปทำร้ายกันมาจนถึงกับฆ่ากันตายได้แต่ถ้าเขาทำอะไรไม่ดีกับเราเราก็ให้อภัยเขาไม่ตอบโต้เรื่องก็จบลงเจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเขามาเจ้าค่ะโอเคไม่มีก็มีอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะถ้าเราไม่ดื่มสุราแต่ต้องซื้อให้คนที่บ้านนี้เราบาปไหมคะ ไม่บาปหรอกดื่มก็ไม่บาปเป็นระบา ย, ยมุกเท่านั้นแต่ก็ไม่ควรดื่มเพราะดื่มแล้วมันจะทำให้ควบคุมสติไม่ได้และเวลาเกิดความคิดไม่ดีมันก็จะหยุดไม่ได้ใช่ไหมคะ จากคุณสมศสักดิ์ตอนนี้พ่อแม่ไม่อยู่แล้วในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ไม่ได้ดูแลท่านพี่ๆดูแลหลังจากปฏิบัติธรรมมีความรู้สึกผิดก็ได้หมั่นภาวนาอุทิศบุญกุศลขอพระอาจารย์ให้วาดเพื่อปฏิบัติต่อไปกับสาธุครับก็พยายามปฏิบัติไปจนบรรลุธรรมอาจจะมีมีปิญญาสามารถติดต่อกับพ่อแม่ในสวรรค์ได้ก็ยังตามไปสอนให้เป็นพระาสดาบัได้ กลับนันทสการครับพระอาจารย์ถ้าเรามีการเลี้ยงหนอนเพื่อเอาหนอนที่มีชีวิตไปให้ไก่กินเราจะบาปไหมครับบาปอาจจะไม่บาปก็ได้เพียงแต่อาชีพไม่เป็น ไ, ไ, ไม่เป็นสัมมาชีพเพราะว่าเราส่งเสริมไม่มีการฆ่าเลี้ยงแล้วก็ไปให้ให้คนอื่นฆ่านี่มันก็บาปแต่ถ้าเราได้รับประโยชน์จากการฆ่าเราก็บาปเหมือนกัน เจ้าค่ะคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะเวลาก็หมดพอดีสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอดสาธุ